ธรรมชาติธรรมชาติใครคนจะเก่งขนาดไหนถ้าธรรมชาติมันเล่นงานแล้วก็สู้กับมันไม่ได้แล้วเหมือนกับสินามิอย่างนี้นเราคาดไม่ถึงเหมือนกันพอมันมาจริงๆมนุษย์ชาติเลยเหมือนกับมดตัวหนึ่งเลยไม่มีปัญญาที่จะสู้มันได้ รอยน้ำพกปมเลยผลที่สุดตายเป็นเบือเลยว่างั้นท่ะอ่างทีมนุษย์มีที่กันที่ลบที่หลีดมีปัญญาแต่พอเข้าจริงไปแล้วเวลามันเอาเอาบัดเผอที่เนี่ยเอาบัดเผอแล้วผมแผ่นดินไหวอย่างนี้ที่ตายเยอะๆเยขอมนุษย์คือเป็นผู้มีปัญญาคนหนึ่ง แต่พอเข้าจริงๆมันทนไม่ไหวเหมือนกันหลบไปที่ไหนมันก็นธรรมชาติมันเบี่ยงมันก่อนหินมันกิ่งมันทับตึกลานบั่นช่องหักหักถล่มลงมาหนีไม่ทั น, เ, นเวลาหลับเวลานอนใครๆก็หาที่ปลอดภัยทั้งนั้นแหละในขณะนั้น แต่มันหาไม่ได้หาไม่เจอมันสรพนวุ่นไวายไปหมดผลในสุดฝ่อประสบบาเทศ ต, ตายกันเป็นบือที่เราพวกเราได้เห็นสรุปก็คือกรรมในหลักของพุทธศาสนาครับกรรมคือการกระทำเหมือนกันคงจะเคยทำอะไรไว้ในอดีตชาติลงตามมหาบัวเคยพูดตามไม่เกียงมนุษย์มนาเราเนี่ย พูดอะไรก็ชอบเห็นแก่ตัวเท่านั้นถ้าคิดเป็นธรรมชาตินะแต่ถ้าเราไปพูดมันก็เหมือนกับแกร่งหรือว่ายอยสังคมลักษณะอย่างนั้นแต่ตามนีจริงถ้าคิดเป็นใจเป็นกลางถาจริงๆธรรมชาติจริงๆงเวลาเราไปฆ่าเขาน่ะกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านแต่ละวัน คิดดูสิปลาที่ขนขึ้นเรือหนึ่งเท่าไรชีวิตถ้าคิดเป็นชีวิตออกมาแล้วแต่เวลาคนของคนของเราตายเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันท่านนั่น เ, เลร้องโอ้อาค่าว่ า, าตายมากแต่พวกสัตว์ตายเนี่ยที่น้ำมือของเราไปฆ่ามันขนาดไหนทอันนี้ถ้าคิดโดยเป็นธรรมนะเอาใจเป็นกลางเขาคิดแต่ถ้าห้างว่า มนุษย์มีคุณค่ากว่าสัตว์เนี่ยพรยกตัวเองขึ้นมาถ้าว่าใครอยู่ในสถานะไหนสัตว์เปันกว่า ม, มันเป็นผู้เลิศกว่าใครๆทั้งหมดเพราะกิเลสโดยมากมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวกิเลสใครอยู่ในคนจนก็ม่กคนจนสําคัญคนรวยก็บอกคนรวยสําคัญใครอยู่ใน ยังไงก็ใครว่าสำคัญของใครของเราน่ะสรุปแล้วก็คือสำคัญทุกคดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ให้ฆ่าสัตว์เราก็สำคัญคนอื่นก็สำคัญสัตว์ก็สำคัญตัวเล็กตัวน้อยสำคัญคนทุกคนจนสำคัญคนมั่งคนมีสำคัญเพราะนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายใครๆก็กลัวตายทั้งนั้น พระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญอย่าไปฆ่าสัตว์จะไปฆ่ากันอันนี้คือศิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้สานุรสิทธ์และพุทธบริษัทปฏิบัติตามไอ้พวกเราทุกวงนะทั้งพระใหม่พระเก่านั่นแหละไอ้ทั้งอกตั้งใจภาวนาพยายามทําให้ต่อเนื่องทําให้สืบเนื่องทําให้ต่อเนื่อง นักพยายามทําให้นานอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกให้เปลี่ยนาส่งจิตเข้ามาข้างในให้มีสติอยู่กับตัวเองบางองว่านั่งจะนั่งนานเท่าไหร่ก็นั่งนานเท่าที่จะนานได้หลวงตามหมาบัวนั่งตลอดทั้งคืนเลยนั่งทั้งคืนฟังเด็กแต่แต่หัวค่ า, านั่งกสมาธิไม่กระดุกกระดิกเลยท่านบอกอธิษฐานในจิตเลย จะไม่ลุกเด็ดขาดถ้าไม่สว่างถึงมันจะขี้มันจะเยี่ยวก็ตามให้มันขี้ทะลักออกไปเลยเท่ั้นให้มันเยี่ยวออกไปเลยแต่สมัยเราเป็นเด็กเราขี้เราเยี่ยวใส่ผ้าพ่อแม่ยังไปซักให้ได้แต่บัดนี้เราซักเองได้เราจะไม่ลุกถ้ามีข้อแม้กระทั่บปวดเยี่ยวจะลุกถ้าปวดเอทายจะลุกน มันก็จะได้โอกาสได้ช่องไม่ลุกเด็ดขาดจนกว่ามันจะสว่าง <c oughs> อันนี้คือหลวงตาท่านพูดท่านเด็ดเดียวนะในพวกเราก็ฟังเอาไว้นะถ้าปฏิบัติได้ก็ดีเนยถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็เอาสักครึ่งครึ่งกลางๆงเนี่ยพยายามอดทนไปจนเหลืออดแต่ยังค่อยออกก็ได้ เวลานั่งปวดไหมก็ต้องปวดปวดแข้งปวดขาปวดเอวปวดหลังปวดที่มันทับกันเวลาปวดทำยังไงทามันปวดมากล้วก็ขยับซะทามันไม่ปวดขนาดไหนก็อดทนไม่จะไปใส่ใจกับมันแล้ววิธีการแก้เวทนาตัวนี้จะทำยังไงมันก็ให้ภาวนา เวลามันปวดปวดที่ไหนปวดขาพับปวดหัวเขา่าหรือปวดหลังหรือปวดเอวเหมอทุกคนมันปวดไม่เหมือนกันนะแต่มันคล้ายๆกันนั่นแหละเวลานั่งภาวนาเวลาปวดท่านให้พิจารณาเอาจิตจ่อตรงนั้นแหละตรงที่มันปวดนะั่นกำหนดดูตรงนั้นนะกําทางเวทนา เวทนาสักตะวเวทนาไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเกิดขึ้นมาแล้วกระดับไปมันไม่เที่ยงเหมือนกันเวทนาสักว่าเวทนาเวทนาตอนนี้ทำไมไปจึงปวดทำไมไปจึงปวดที่ตรงนั้นทำไมไปจึงปวดเพราะเราไปใส่ใจมันใช่ไหมร่างกายนี่มันมี ใจใช่ไหมไปรับรู้มันใช่ไหมมันจึงปวดถาว่าใจไม่เข้าไปรับรู้มันมันจะปวดไหมซุ้มว่าบอกคนตายอย่างนี้ยไม่มีใจเราเอามีดฟันเอาผ่าเข้าไปกรีดเข้าไปเหมือนกับเราเรียนจากอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นศพลองอุ้ยไอไหมร้องอุกร้องอักไหมล็ เจ็บร้องปวดไหมกระดุกกระดิกไหมไม่เพราะเหตุอะไรเพราะใจไม่อยู่ที่นั่นความรู้สึกไม่อยู่ที่นั่นเพราะนั้นอันนี้คือเวทนาเวทนาสักตะวันเวทนาอย่าเอาใจเข้าไปแบบอย่าเอาใจเข้าไปรับรู้จนเกินไปคล้ายๆแบบ แยก อ, อกแยกกายออกออกจากใจแยกใจออกจากกายแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากจิตอย่าไปรับรู้มันรับรู้อยู่แต่ไม่แบกมันสัตว์แต่ว่าแต่ถ้ารอพิจารณาเห็นได้หรือพิจารณาแยกแยะได้นะ่ะมันแยกได้นะคือมันจะไม่ ทุกมันไม่เวทนานั้นจะไม่มาเยียบจิตใจเราการภาวนาที่แยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกายเนี่ยจะมีประโยชน์เมื่อเวลาขับขันหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเวทนากล้าขึ้นมาเนี่ยกาหนดจิตดูดูกายเนี่ยมันกระดิน้นของมัน แต่ว่าใจไม่เข้าไปรับรู้รับทราบใจของเราอยู่ในกรอบดูอยู่อย่างนั้นไม่เข้าไปแบกเวทนาแต่ว่าผู้ทำได้ขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่ใช่ธรรมดามต้องได้ฝึกมาแล้วอย่างดีต้องในภาวนาต้องได้ฝึกมาแล้วอย่างดีจึงจึงจะทำตรงนั้นได้ พรานนั้นเวลาให้เข้าว่าหลานต่อแตะของเวทนาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกสู้ซะ ก, ก่อนแบบนั้นเถอะต่อมาแล้วก็เอเป็นเด็กเวทนาหนุ่มเวทนาอคนกําลังบังชาวโคตรแส่เวทนาเข้ามาเนี่ยเราสู้ไม่ไหวแบบนั้นเถอะ เ, เพราะนั้นเราต้องสู้แต่ตัวเล็กๆซะก่อน อสู้ตนปวดแข้งปวดขาหิวกระหายอปวดนั่นปวดนี่ตอนแรกเราสู้ตัวนี้เสี ก, ก่อนแต่เราสูช้ชนะไปเรื่อยๆชนะไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นท่านนีอโคตรแซ่เวทนาขนาดไหนมามาเท่าไหร่เอาชนะมันได้พอเราเก่งแล้วมันมาหน้าไหนเรารู้เลยเลย อย่างหลวงตามหาบัวเน่ะท่นานว่านั่งภาวนาโอ้โหนั่งจนตัวสันนั้นหมดอมเอออาชนะมันได้รู้มันได้วิธีการแก้มันกับเฟนานรทำยังไงพอเอาชนะมันได้รู้มันได้ดังนี้ใจออกจากร่างกายไม่รับรู้มันได้ท่านบอกว่าพอเอาชนะมันได้ กว่าเหนือกว่าเวทนาแล้วใจเหนือกว่าเวทนาแล้วมันอาถรรพ์ขึ้นมาว่าเวทนาหน้าไหนจะมาหลอกเราอีกได้วะาให้แค่ะท้าท า, ายใจมันเลยอันนี้คือไม่ไม่รับรู้ไม่รับทราบเวทนาสักว่าเวทนาเวทนาตอนนั้นไม่สามารถที่จะมาบีบบังคับจิตใจได้ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ฟังไว้นะแล้วคัดลบทรดลองดูถ้าเราไม่ใส่ใจเสียเวทนามันก็ไม่ทุกมากนะแต่ถ้าเราไปแบกมานนมันทุกสู้ไม่ไหวจริงๆแล้วงั้นแอ่แผ่นแหนบเล ย, ยงั้นแต่เพราะฉะนั้นวิธีการนั่งภาวนาสู้เวทนาต้องสู้ลักษณะอย่างนี้เวลาภาวนาเข้าไปมันต้องเจ็บต้องปวดอะคนไม่ตายจะไม่ให้เจ็บปวดได้ยังไงมันต้องเจ็บ แต่ต้องอดทนยังไงต้องมีวิธีกําหนดดูเวทนากายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ในกรอบของสติปัญสีจิตเป็นยังไงกําหนดดูจิตจิตนึกคิดเรื่องอะไรตามจิตให้ทันตามความรู้ให้ทันขณะนี้เราคิดเรื่องอะไรเอาสติตามให้ทันแต่โดยมากถ้าว่ากําหนดลมหายใจ เข้าออกก็ยังไม่ทันอยแล้วจะกำหนดจิตทันน่ยมันโดยมากจะไม่ค่อยทันมีแต่คว้าน้ำเหลวตะคบเงาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นท่านยัง อ, อ, อุบาจานทร์สายองค์หลวงปู่มันท่านให้กำหนดลมหายใจคือเอาของหยาบซะก่อนถ้าพอกำหนดลมหายใจเข้าอยู่นับอยู่ได้จับลมหายใจได้จับเวลาไหนได้เวลานั้นจะได้เริ่มจับจิตได้เลยนึกคิดเรื่องอะไรจะทันมันละ อสติจับทันนะท่านนายจับจิตเพราั้นเถะแต่ถ้าหากว่าจับลมหายใจเขาออกก็ยังไม่ทันเนี่ยจะไปคิดจับจิตกำหนดจิตดูโดยมากพิจารณคบเงาทั้งนั้นน่ะมันไปที่ไหนแล้วยังคว้าขี้คอ้ขาขี่ขขหง ง, า ง, ห ง, ง, าง่างหงง่างาะงั้นเถอะเนี่ยจะไปตามหาจิตแต่ที่ไหนไมันไปที่ไหนแล้วหรือ ม, มากจะไม่ทันเพราะนั้นจิตต า, น, น, านุก ป, ปัจฉนาสติประฐานเนี่ย เป็นเรื่องละเอียดแต่สำหรับผู้ฝึกหัดจนชำนิชนานาญหรือชำชองแล้วจะจับได้ทันไม่มีปัญหาและธรรมานุปัศนานสติปัฏฐานธรรมารมที่เป็นส่วนดีเรียกว่ากุศลเรียกว่าเป็นส่วนชั่วหรียกว่าอากุศลที่มันเกิดกับจิตอันนี้ก็ว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐาน มันสรุปแล้วก็คือจิตเศร้ามองจิตผ่องใสจิตเศร้ามองจิตผ่องใสถ้าคิดดีจิตก็ผ่องใสถ้าคิดไม่ดีจิตก็เศร้ามองมันมีอยู่สองอยู่ในใจเนี่ยธรรมมาธรรมารมธรรมม า, า, านุปัชนาสติปัฏฐานอันนี้เราก็ให้รู้ถ้าเรากำหนดดูแล้วจะรู้สิ่งที่มากระทบจิต อั น, นก็คือกรอบของสติปัฏฐานสี่การพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนะอันนี้แหละคือหลักใหญ่ที่จะพิจารณากรรมัฐานแต่พวกเรากำหนดลมนี่คือพิจารณากายเนะี่ยลมก็คือกายกายก็คือลมลกำหนดลมให้มันหยาบดูกายของตัวเองการเคลื่อนไหวของตัวเองการก้าวเดินของตัวเองให้มีสติสรุปเรา ในการเคลื่อนไหวอของกายเรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนาก็คื อ, ค, อความเจ็บปวดปวดหิวควาหายร้อนหนาวเย็นอะไรลักษณะเนี้ยจัดว่าเวทนาหมดที่เรานั่งนะปวดแข้งปวดขาเนี่ยจัดว่าเวทนาเวทนาน่ ถาจะแยกเข้าไปอีกมันเป็นเวทนาสองอีกเหมือนกันนะอสุขกับเวทนาทุกขเวทนาเวทนาตอนนี้มันเกิดกับกายก็ได้เกิดกับใจก็ได้ใจทุกเป็นยังไงไม่ต้องพูดถึงเราเขารู้สัมผัสความทุกขของใจเป็นยังไงความทุกขของกายเป็นยังไงเราก็รูนะ้เพราะทั้นทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงนะ เน่ว่าเวทนาเวทนาของใจเวทนาของกายตามไม่จริงเวทนาของกายมันกับใจนั่นะเป็นผู้มารับรู้ทําใจไม่มาออกมารับรู้กายมันก็บสัตว่ากายอย่างนั้นแ่ะเอหมือนกับคนตายนั่นอบัยวะทุกส่วนมันก็ครบทุกอย่างหูงตาแต่ว่าใจไม่อยู่ในร่างแล้วใจออกจากร่างแล้วใจร่างกายหมดสภาพแล้วมีแต่ ความเน่าเปื่อยเฟะเท่านั้นจะเข้ามาเยือนร่างนั้นเพราะนั้นการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้สรุปแล้วเมื่อพิจารณากายคนดีเวทนาคนดีจิตธรรมคนดีก็ให้ย้อนดูจิตทุกตัวเองนั่นแหะทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากนั้นทั้งหมดตัวการตัวใหญ่ที่จะรู้เรื่องต่างๆออกไปจากใจใการกําหนดลมก็เพื่ออยากจะจับ ปลอมให้อยู่แล้วกับเพื่อจะจับเข้ามาหาตัวจิตตัวผู้รู้เนี่ยนะเพราะตัวนี้เป็นตัวการตัวการใหญ่เรื่องราวทั้งหลายอยู่ในใจทั้งหมดตัวนี้แหละเป็นตัวก่อเหตุะเพล่ผ่านวุ่นวายทั้งหมดก็คือใจเนี่ยนะทางว่าเรามาฝึกหั ด, ข, ดขัดเกล้าเผาด้วยตปะธรรมการกลองที่มันตัวเสนียดจันไลเรียกว่า ตัวก่อควรคือกิเลสส ก, กัดมันออกซะเหมือนกับเหล็กสนิมมันเกิดจากไหนมันเกิดจากสนิมสนิมมันเกิดจากเหล็กอันนี้คงเหมือนกันกิเลสมันเกิดจากใจใจมันเกิดจากกิเลสมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วจะทํำยังไงจึงจะแยกแย ก, แยกมันออกจะทํำยังไงจึงจะให้เป็นเหล็กนั่นเป็นสเตนเลส ไม่ให้มีสนิมอันนี้ก็เหมือนกันจะทายังไงจะกาจัดยังไงจะไม่ให้มีจิเลสในใจเห็นได่สักว่าเห็นรู้แต่สักว่ารู้ถอนอัตตานนติติคือตัวตนเสียปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นว่างปล่อยวางทั้งหมดต้องทาเท่านั้นนะต้องใช้ทมเท่านั้นทมตอนนี้ไม่ใช่ทำธรรมดามหาสติมหาปัญญา ธรรมเหมือนกันขันติธรรมวิทิยธรรมสัจจะธรรมครบหมดทุกอย่างจึงจะกำจัดกิเลส ต, ตัวนี้ออกจากกระเด็นออกจากกิจจากใจได้แต่พวกเราก็เพียงศึกษาให้รู้แนวทางนะกิเลสมันดีไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจแต่ว่าใจตัวนี้คือนา ม, มาธรรม คือความโง่นั่นแะไม่ไม่ไม่ไมอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจความฉลาดอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในใจอันนี้ก็เหมือนกันแนละฉลาดนะโง่คือกิเลสฉลาดคือความบริสุทธนะิ์เ้วจะทำยังไงจะเรียนยังไงจะฝึกยังไงจะขัดเกลายัาไ่ไงจะเอาชนะยังไงมันต้องใช้สติใช้ปัญญา ศรัทธาความเปลี่ยนบารบมีสิบทัศน์เหมือนนั้นแอืะครบบริบูรณ์จึงจะกําจัดมันได้นะขอให้พวกเราทุ ก, ท, กท่านนะถ้า อ, อุปตั้งใจภาวานาไปเรื่อยๆนะนะแต่อย่าไปเครียดนะไม่ต้องเครียดทําไปเรื่อยๆถ้าเครียดจะยิ่งไปใหญ่เพราะธรรมะเนะี่ยมันภาวานาน่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชจะบีบพอจริงๆมันก็ไม่ได้ ห่างเหินเกินไปก็ไม่ได้ให้เข้าไปทำให้ต่อเนื่องใช้เลี่ยงเหลี่ยมใช้สติใช้ปัญญาความรอบคอบดูเหมือนกนระลอกขึ้นบนเวทีนั่ะเราจะมีวิธีการอย่างี้จะน็อกคู่ต่อสู้เราได้ถ้าเราไปเครียดทจะมันกระโดดใส่กระโดดใส่เมื่อเสียหลักให้มันเหมือนกันเเสียหลักให้คู่ต่อสู้เหมือนกันอเราต้องหาจังหวะจะโคน แต่ตาของเราเนะี่ยเ ป, ปรสติของเราเนะี่ยพร้อมอยู่เสมอนะทั้งสติทั้งปัญญามันขยับทางไหนมันขยิกหัวไหลถ้าเรารู้แล้วมันจะมันจะปล่อยหมัดเหมือนกันใ่่เราจะโจกหลบทางไหนเราจะสวนยังไงแน่อย่างนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะ่ะการเคลื่อนไหวของจิตของใจกับกิเลสมันอยู่ในใจของเราเนะี่ยเออ ท่าว่าปัญญาของเราไม่ทันมันกิเลสมันก็นอกวันยังค่ําคืนยังรุ่งนั่นแหะเป็นธาตุของกิเลสตลอดแต่ถ้าว่าใจของเราเข้มแข็งรู้วิธีการสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราพร้อมขึ้นมาเมื่อไร่เราก็จะนอกกิเลสลงจากใจของเราไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งแน่นอนเหมืนัน